62. บขับพวีสูปสัมปทานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตอุปสมบทให้กุลบุตรโดยนับอายุ20ปีทั้งอยู่ในคันเรื่องพระกุมารกัสปะข้อ 124. ้อสมัยนั้นท่านพระกุมารกัสปะมีอายุครบ20ปีนับทั้งอยู่ในคันได้อุปสมบทแล้วต่อมาท่านมีความดำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าบุคคลมีอายุย่อนกว่า20ปีทรงไม่พึงให้อุปสมบทแต่เรามีอายุครบ20ปีนับทั้งอยู่ในคันอุปสมบทแล้วจะเป็นอันได้อุปสมบทหรือไม่หนอภิกษุทั้งหลายจึงขาดทูนเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย สัตว์เกิดนับตั้งแต่จิตดวงแรกวิญญาณดวงแรกเกิดปรากฏขึ้นในคันของมันดาภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตอุปสมบทให้กุลบุตรมีอายุครบ20ปีนับทั้งอยู่ในคันได้